ปานังปิหณนติย่อมฆ่าตีซึ่งสัตว์บ้างอธทินังปิอาทิยติถือเอารัพย์อันเจ้าของมิได้ให้บ้างประทารังปิคัชฉิซ่องเสพกาเมสุมิฉาจารบ้างมุสาปิพนติเจรจามุสาส่อเสียดสัมผับปลาปะวาาตลกขนอง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 ก็อาจสำเร็จแก่จตุสัจจาพิสมัยคือจะได้สำเร็จแก่พระอริยสัต์ทั้งสี่มีพระทุกขสั์เป็นต้นมีมรคสั์เป็นปริโยสารกระทธรรมสามั ญ, ญญาผลทั้งหลายให้แจ้งและจะได้พระปฏิสัมพิทาสี่พระสมาบัติแและอภิญญาหกประการถึงซึ่งภาวะชำนานคล่องแคล่วสำเร็จในสมณธรรมทั้งปวง